สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เรายังอยู่ใน พ, นะพระเจ้าพระยมบทที่15นะครับเกี่ยวข้องกับกฎทองคำเรื่องของการติดสนิท ก, กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในเรื่องของความรักครับเพราะเนื่องจากว่า ใน20กฎทองคํานี้ณนะเวลานี้เป็นกฎที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องเข้าสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเหมือนกับขแขนครับและองค์พระอินเจ้าพระเยซูคริสต์เหมือนกับเท้าองุ่นครับพี่น้องครับพระเยซูได้สอนไว้ในข้อที่9ถึงข้อที่15นะครับข้อที่9ถึงข้อที่15ในพระยมยอนบทที่15นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า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 และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นบาวอีก เพราะเบาวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สําแดงแก่ท่านแล้วพี่น้องครับโปรดฟังข้อ9อีกครั้งนงนะครับพระบิดาทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเรา พี่น้องครับคำว่าจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นอยู่ในความรักของเรานั่นคือการที่เราอยู่ในวงจรแห่งความรักของพระเจ้าเราอยู่ในกระแสนะครับเราร่วมกระแสความรักของพระเจ้าครับเราจะเห็นวงจร น, นี้ก็คือการติดสนิท ก, กับองค์พระผู้เป็นเจ้าวงจรหรือสมาการนี้ เริ่มต้นก็คือเราต้องติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนครับเมื่อเราติดสนิทกับองค์ผู้เป็นเจ้านั้นนั่นหมายความว่าเราต้องรักษาพระบัญญัติขององค์พระเยซูคริสลักษาพระวจนะหรือพระคําของพระองค์ครับมันก็เลยทําให้วงจรแห่งความรักหรือวงจรที่เกี่ยวข้องกับความรักนั้นมันก็กลับไปเกี่ยวข้องกับพระวจนะครับเมื่อวานนี้ เราได้พบว่าเมื่อเราเข้าสนิทอยู่ในพระชนะของพระเจ้าให้พระชนะของพระเจ้านั้นอยู่ในเราก็จะก่อเกิดความหวังครับความหวังใจอันเกิดจากพระชนะของพระเจ้าและเมื่อเรามีความหวังในเรื่องอะไรความหวังนั้นก็จะกลายเป็นคำอธิษฐานที่เราทูลขอวิงวอนต่อพระเจ้าและคำอธิษฐานของเราก็จะไปถึงเบื้องพระภักของพระเจ้าครับ อยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วครับและพระเจ้าก็จะตอบคําอธิษฐานของเราประทานความสําเร็จมาให้กับเรานั่นคือวงจรที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะเช่นเดียวกันครับในวันนี้วงจร น, นี้เกี่ยวข้องกับความรักก็เริ่มต้นในการเข้าสนิทครับเข้าสนิทโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและเราก็ด้วยความรักของพระเจ้านั้นเรารับความรักของพระเจ้าเข้ามาและเราตอบสนองด้วยการเชื่อฟัง เชื่อฟังและทำตามบัญญัติของพระเจ้าในตรงนี้นะครับพระกัมพีใช้คำว่า keep my commandment keep my commandment ก็คือว่ารักษาพระบัญญัติของเรา obey my teaching ก็คือเชื่อฟังคำสอนของเราพี่น้องครับการเข้าสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์ก็คือการที่เรามีนของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเราตอบสนองครับ ตอบสนองโดยการที่เรารักษาบัญญัติของพระเจ้าและเชื่อฟังคำสอนของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะเห็นว่าแหล่งของการเข้าสนิทคือพระเยซูและสิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าสนิทคือพระวจนะของพระเจ้าและท่าทีการตอบสนองของเราที่มีต่อพระวจนะนั้นก็คือท่าทีแห่งการเชื่อฟังและทาตามครับ ในด้วยเหตุนี้ก็จะนำเราเข้าสู่ความหวังเมื this, ่อวานนี้เข้าสู่ความหวังนะครับในวันนี้เข้าสู่ความรักครับเมื่อเรามีความชื่นชมในความรักของพระองค์แล้วเราก็ตอบสนองตอบสนองความรักของพระองค์ในที่สุดเราก็กลายเป็นมิตรสหายของพระองค์เป็นผู้ที่รู้ใจพระองค์ครับคำคำนี้ครับ ท่านศาสตราจารย์ด็ร์ฟลิปเทงนั้นท่านได้เขียนไว้ชัดเจนครับว่าคนที่ทําตามพระบัญชาของพระเจ้าบัญญัติของพระองค์คําสอนของพระองค์เขาจะเข้าสู่ความหวังใจเขาจะเเข้าสู่ความรักครับและในความหวังใจนั้นกลายเป็นคําอธิษฐานพระเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเขาและสิ่งที่เขาขอก็จะสําเร็จพราะเขารู้ใจพระเจ้า เช่นเดียวกันครับเมื่อเราเข้าส yes. ู่ความรักของพระเจ้าโดยพระวจนะนั้นใครที่ก็ตามที่มีความรักในพระเจ้าเขาจะเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระองค์เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์และเชื่อฟังคําสอนของพระองค์เขาจะมีความชื่นชมยินดีและเขาตอบสนองด้วยความชื่นชมยินดีนั้นในที่สุดเขาจะกลายเป็นมิตรสหายของพระเยซูเพราะเขารู้ใจพระเจ้าครับรู้ใจพระเยซู รู้น้ำพระทยของพระองค์พี่นนทครับวงจร น, นี้ก็จะกลับกลายเป็นวงจรที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนเป็นกระแสที่จะร่วมกันอยู่ในความรักของพระเจ้าร่วมกันอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าและหมุนเวียนหมุนเวียนไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดพี่นนท์ครับนั่นคือสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ เป็นการอัศจรรย์ในชีวิตของเราครับเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับพระวจนะธรรมของพระเจ้าพักคำของพระเจ้าสำคัญครับเมื่อเรามีพักคำของพระเจ้าแล้วท่าทีการตอบสนองของเราก็คือเราจะต้องเชื่อฟังและรักษาสิ่งที่เป็นบัญญัติของพระเจ้าเป็นคำสอนของพระองค์นงครับผมพูดวนไปเวียนมาหลายครั้งนะครับการที่เราจะต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้าและเรา จะต้องมีท่าทีของการที่เรารักษาบัญญัติของพระเจ้าและเชื่อฟังเชื่อฟังครับเชื่อฟังคําสอนของพระองค์ความชื่นชมยินดีก็จะมาถึงเราแต่เราจะกลายเป็นมิตรสหายของพระองค์เราอธิษฐานอย่างไรสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเพราะนั่นเป็นนาบัตัยของพระเจ้าเพราะเรารู้ใจพระเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเหลือพวกเราทั้งหลายทุกคน ในการที่เราจะอยู่ในอยู่ในวงจรนี้ครับอยู่ในกระแสนี้อยู่ในสมการนี้อยู่ในกระบวนการนี้พี่น้องครับเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้นําคนอีกมากมายให้มาเป็นสาวกของพระเยซูครับเมื่อเรานําคนมาถึงพระเยซูสิ่งที่เป็นความปรัถนาหรือพระหมหาบัญชาหรือน้ำพัดไทยของพระองค์ก็จะ สำเร็จขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน